ในขุตกานิกายขาถาธรรมบทข้อยีสห้าว่าด้วยความสุขที่แท้จริงไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีทุกทั้งหลายเสมอด้วยขันย่อมไม่มีสุขอื่นจากความสงบย่อมไม่มีหนึ่งนะไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีอันนี้โลภะใช่ไหม โทษเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีทุกทั้งหลายเสมอด้วยขันย่อมไม่มีเอออันนี้จะอาจจะยากสักหน่อยนะสุขอื่นจากความสงบย่อมไม่มีนี่นี่หมายถึงนิพพานนะเนี่ยนะหนึ่งนะไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีอันนี้โลภะใช่ไหมโทษเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีทุกทั้งหลายเสมอด้วยขนันย่อมไม่มีเอออันนี้จะอาจจะยากสักหน่อยนะ สุขอื่นจากความสงบย่อมไม่มีนี่นี่หมายถึงนิพพานนะเนี่ยนะพูดภาษาธรรมดาธรรมดานี่แต่ว่าโอ้โหใช่ไสูงเลยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเอา้าทุกทั้งหลายเสมอด้วยขันย่อมไม่มีนี่เป็นยังไงท่านรองเฉลยแล้วแล้วก็ในรูปรูประคันเนี่ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งแปรปรวนมันจะพาให้อย่างอื่นเนี่ย เสียหายไปด้วยคือขันแต่ละตัวแต่ละอย่างมันก็ ม, มิไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของขันนั้นเองจะต้องไปอาศัยอีกขันเข้ามาช่วยที่ในขันอย่างใดอย่างหนึ่งแปรไปอีกขันหนึ่งก็ต้องวิบัติตามไปด้วยนนถ้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันถ้าหากว่าเวทนาแปรไปสัญญาก็แปรไปด้วยเหมือนกันนั่นแหละทั้งทุกอย่างแต่ละอย่างเนี่ยจะพาให้ ต่างฝ่ายต่างวิบัตินั้นธรรมชาติของขันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนั้นเมื่อตัวของเขาเองเนี่ยเต็มไปด้วยสภาพที่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีแล้วก็ก็หมดไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานแห่งชาติตุกเป็นพื้นฐานแห่งชาราติทุกเป็นพื้นฐานแห่งพยาติทุกเป็นพื้นฐานแห่งมรณะทุกโศกปริเทวะทุกขโทมน อุปายาตฉนั้นประมวลลงมาแล้วก็เหลือขันท่าฉความวิบัติความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าไม่มีขันท่าความทุกข์เหล่านั้นจะมีไหมไม่มีสมมุตินะความทุกข์ใดๆก็ตามแต่สมมติว่าความเสียหายเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีตาเห็นเนี่ยอันนั้นจะทุกข์ไหมใช่ไหมสมมติที่ว่าโอ้โหนรกเนี่ยมันร้อนเหลือเกินเนี่ยถ้าไม่มีพรรษาเวทนาไปรับรู้เนี่ยมันจะทุกข์ไหม ก็ไม่มีท่านความเสียหายทั้งหมดก็เพราะเกี่ยวเนื่องกับขันห้าโดยเฉพาะขันห้าของเราเนี่ยสมมติถ้าบ้านเขาถูกไฟไหมเนี่ยเออถูกไฟไหมก็เป็นธรรมดาของบ้านอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าบ้านนั้นเป็นบ้านของเราอะ่ะที่บ้านนั้นเป็นบ้านที่มีอุปาทานขันห้าเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนคนคนตายเนี่ยโอ้วันหนึ่งมากมายมหาศาล แต่ที่ที่เราไม่เป็นไรเพราะเราไม่ใช่ญาติเราเพราะเราไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องโดยภาษาเวทนาเป็นต้นแต่ถ้าได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแล้วเนี่ยก็นะภาษาเวทนาเนี่เป็นปัจจัยแห่งทุกโทมาัะเป็นปัจจัยแห่งอุปายาตแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่สภาพเดิมได้ทั้งความทุกข์ทั้งหลายแหละเนี่ยก็อาศัยอยู่บนพื้นฐานของขันธะ เช่นโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าไม่มีรู ป, ประคันเนี่ยโรคจะมีไหมไม่มีถ้าไม่มีวิญญาณขันจะมีกิเลสไหมไม่มีกิเลสจะแปอาศัยอะไรเกิดถ้าไม่มีวิญญาณขันใช่ไหมเพราะฉะนั้นขันเนี่ยมันจึงเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ตั้งมากมายมหาศาลถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นเหตุให้ให้ทํากรรมต่อไปนะพอบาปอากุศลโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้น กรรมที่ทําเนี่ยนะตรงนี้อำ น, น, นากลัวที่สุดทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วถ้ามีคนก็ถามว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับกับเรากับเราคิดอย่างไรกับคนอื่นอันไหนสาคัญกว่ากันก อ, อันนั้นเอาใหม่นะคนอื่นคิดกับเราอย่างไรกับเราคิดกับ อย่างไรกับคนอื่นอันไหนสําคัญกว่ากันเราคิดอย่างไรกับคนอื่นนะกว่าที่คนอื่นคิดกับเราแน่นะสาธุที่หลังคนอื่นเขาคิดไม่ดีกับเราเนี่ยเฉยเอาไว้นะสําคัญที่สุดว่าเราคิดอะไรกับเขาใช่ไหมคนอื่นเขาพูดอย่างไรกับเราไม่สําคัญที่ว่าเราพูดอะไรกับคนอื่นคนอื่นเขาทําอะไรกับเราไม่สําคัญเท่ากับว่าเราทําอะไรกับคนอื่นเพราะอะไรเพราะกายกรรมใครเป็นคนทํา ก็เรานั่นแหละเป็นคนทาําวัจีกรรมใครเป็นคนทาําก็เรานั่นแหละมโนกรรมก็เรานั่นแหละเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นคนอื่นก็คิดชั่วกับเรานะถ้าเราไม่คิดชั่วตอบเช่นคนอื่นเขาโกรธเราถ้าเราไม่โกรธตอบนะบาปไม่ตกถึงเราแต่ถ้าเราโกรธตอบเมื่อไหร่แบบนั่นแหละบาปได้เกิดขึ้นแล้วกับเรา น, นหละเราตกนรกคนอื่นไม่เกี่ยว <c oughs> เพราะฉะนั้นสําคัญนะ ทั้งหมดเนี่ยนะในพระสูตกรกล่าวไว้เพราะมากเลยถึงแม้จะเป็นเรื่องของโทษภัยของขันธ์ห้าขันธ์ห้ากับตัวเรานี่นะอย่าไปคิดไกลนะขันธ์หาเนี่ยนะเ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในนั้นโดนเรานี่นะครบหมดเลยท่านกล่าวไว้ในสังยุตตานิกายขันธวารวักสังยุตตานิกายขันธวารวักนี่มาพูดถึงเรื่องขันธ์ทั้งเล่มเลยอ่ะเล่มบื้อล่มเนี่ยใครสนใจก็ไปหยิบมาดูนะ ท่านบอกว่าเบนจะขันเป็นตัวสังหารกันและกันเช่นปัทวีธาตุอย่างเดียวเมื่อแตกสลายก็พาเอาธาตุที่เหลือแตกสลายไปด้วยปัทวีเกิดแตกสลายไปนี่อาโปอยู่ได้ก็อบัไดบัไดวายโยก็พังไปด้วยอาโปก็พังไปด้วยเตโชก็วินาทไปด้วยตัวใดตัวหนึ่งพังอีกสามตัวนั่นก็อยู่บันได ท่านบอกว่ารูปประคันเมื่อแตกสลายก็นําเอาอรูปประคันแตกสลายไปด้วยเพราะขันมีห้าใช่ไหมรูปประคันถ้าเกิดไอ้รูปมันพังนะไอ้อารูปเนี่ยเวทนาขันทัญยาขันตั้งขันละขันมีนาขันก็แตกไปด้วยอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเาเเขป็นอก่งมาเพราะว่านามขันนี่เขาไปต้องไปเกิดที่รูปประคันะเขามีรูปเป็นที่เกิดนะครับ อารูปขันก็เหมือนกันเมื่ออารูปใดอารูปหนึ่งแตกสลายก็พาเอาอารูปที่เหลือร่วมด้วยแตกสลายไปด้วยอารูปเองนั่นแหละถ้าวิญญาณพังไปเนี่ยเวทนามีไหมไม่มีถ้าเวทนาโกรธถ้าวิญญาณโกรธเวทนาโกรธไหมถ้าวิญญาณเป็นเมถ้าวิญญาณเป็นเมตตาในี่เวทนาเป็นไหมอมันจะได้ว่ามันเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะ เมื่อขันทั้งหลายมีอยู่การฆ่าการจองจําการตัดมือตัดท่าเป็นต้นจึงมีจึงทราบว่าเป็นจะขันเป็นผู้ฆ่าเพราะเมื่อขันเหล่านี้มีการฆ่าอย่างนี้จึงมีถ้าไม่มีขันการฆ่าเกิดขึ้นได้ไหมไปฆ่าอะไรกระลมดูกอพิสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อขันมีการฆ่าจึงมีผู้ถูกฆ่าจึงมีเพื่อจงพิจารณาขันเป็น เป็นมารเป็นมารเป็นขันธ์มารเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ถูกฆ่าเป็นทุกเป็นหัวฝีเป็นดาบเป็นหลาวเป็นอะไรสปะเนี่ยเยอะแยะเมื่อเห็นก็เบื่อหน่ายใช่เอาตีรณปริญญาก็ต่อด้วยปะหานะปริญญาไปเลยอ่จไอ้กล่าวๆนี่เราดูมันง่ายๆที่ไหนได้มันยานสูงทีเดียวนะครับ ก็ที่กล่าวถึงลักษณะของขันห้าใช่ไหมซึ่งมีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยอันนั้นเป็นลักษณะของยาตะปริญญาการกล่าวถึงโทษภัยของขันห้าก็เป็นลักษณะของตีระนปริญญาตีระนปริญญาก็เพื่อปหานะปริญญาเพื่อละวิปลาสความคลาดเคลื่อนความเข้าใจผิดความคิดผิดความเห็นผิดในรูปนามขันห้าเหล่านั้นนั่นแะ ก็จนเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดใช่ไหมเมื่อคลายกำหนัดก็พ้นทุกข์หันความพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนาทงบอกว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นด้วยอํานาจของตันหาและทิฏฐินั่นแหละเมื่อเราเจริญกุศลธรรมจนถึงไม่ถือมัน่นด้วยอํานาจของตันหาทิฏฐิในอุปาทานขันห้าได้ก็สามารถที่จะทําที่สุดแห่งกองทุกข์ได้หันเป้าหมายที่สุดของคําสอนก็คือการหลุดพ้นจากการยึดถือ การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับนายช่างทองนายช่างทองนั้นเวลาเขาหลอมทองนั้นเขาใช้ความร้อนใช้ไฟในการดูแลหลอมทองเนี่ยนะเพื่อที่จะปัดเป่าสนิมสนิมทองชั้นใดการเจริญกุศลธรรมของพุทธบริษัทก็เหมือนกั น, นการเจริญกุศลธรรมนั้นจึงต้องมีอาตาปี เรียกว่าทำให้กิเลสเร่าร้อนเหมงนนจนชำระกิเลสบาปอากุศลออกจากจิตได้หมดนั่นแหละจบจึงจะจบพรหมจรรย์นในพระพุทธศาสนา